ในโลกนี้มีความสุขอยู่สองแบบด้วยกันคือหนึ่งความสุขของผู้ครองเรือนสองความสุขของนัก บ, บวชความสุขทั้งสองรูปแบบนี้มีวิธีที่จะทำให้เกิดขึ้นไม่เหมือนกันและมีความ ดีมากน้อยต่างกันความยากง่ายต่างกันความสุขของผู้ของเรือ น, นี้เป็นความสุขที่หาได้ง่ายกว่าแต่เป็นความสุขที่ไม่มากเท่ากับความสุขของของนักบวชและเป็นความสุขที่ ไม่แน่นอนและอาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ความสุขของนักบวชนี่เป็นความสุขที่หาได้ยากกว่าแต่เป็นความสุขที่เหนือกว่าเป็นความสุขที่มั่นคงกว่าที่อยู่ได้ยืนยาวนานกว่า ความสุขของผู้คองเรือนในโลกนี้เราจึงมีผู้ที่หาความสุขสองรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ที่หาความสุขเหมือนกับเวลาที่ไปซื้อของคนซื้อก็ซื้อของชนิดต่าง เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าเหมือนกันแต่มีรูปแบบมีราคาต่างกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่ความรู้ความสามารถของผู้ที่จะไปซื้อเสื้อผ้าว่าจะเลือกซื้อเสื้อผ้าแบบไหนดีความสุขในโลกนี้ก็เหมือนกันความสุขของผู้คลองเรือนกับความสุขของนมกบวช ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ที่จะหา ว, ว่าเห็นว่าความสุขแบบไหนดีกว่ากันและอยู่ในความสามารถของตนที่จะหามาได้หรือไม่เราจึงมีการหาความสุขแตกต่างกันไป แบบคารวาสกับแบบนักบวชส่วนใหญ่พวกเราจะหาความสุขแบบคารวาสผู้คลองเรือนพอเราเวลาเกิดมาเราก็เกิดมาอยู่กับผู้ที่หาความสุขแบบผู้คลองเรือนคือบิดามารดาของพวกเราก็หาความสุข แบบผู้คองเรือนกันไม่มีใครหาความสุขแบบนักบวชถ้าเป็นหาความสุขแบบนักป่วยก็จะไม่มีลูกไม่มีหลานเห็นส่วนใหญ่เวลาคนเกิดมาก็จะรู้จักวิธีหาความสุขแบบผู้คองเรือนก่อนแล้วต่อมาเมื่อจเจริญก้าวหน้า จเจริญเติบโตได้พบได้เห็นอะไรต่างๆได้เห็นความสุขและความทุกข์ที่ได้จากการหาวความสุขแบบผู้ของเรือนและอาจจะได้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุขของผู้ออกบวชก็อาจจะมีความสนใจที่อาจอยากจะเปลี่ยน การหาความสุขแบบผู้คลองเรือนไปสู่การหาความสุขแบบนักบวชอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้พบได้เห็นกันในชีวิตของพวกเราความสุขของผู้คลองเรือนนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เกิดได้สี่วิธีด้วยกันมีอยู่สี่อย่างด้วยกันความสุขของผู้ของเืิน อ, อย่างที่หนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาเวลาเราได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองมาเราจะมีความสุขกันความสุข ชนิดที่แบบที่สองของผู้ของของเรือนก็คือความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์นะพอมีทรัพย์แล้วก็จะเอาไปใช้กันพอเวลาใช้ทรัพย์แล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขชนิดที่สาม คือความสุขที่เกิดจากการกระทาที่ไม่ไม่มีโทษพวกเรามีการกระทากันมีการพูดมีการกระทาอะไรต่างๆการกระทาของเรานี้มีทั้งที่มีโทษและมีไม่มีโทษถ้าทำอะไรที่เป็นโทษมันก็จะทำให้เราต้องไปรับโทษนั่นเอง แต่ถ้าเราทำอะไรที่ไม่เป็นโทษเราก็ไม่ต้องไปรับโทษนะเมื่อไม่มีโทษไม่ต้องรับโทษก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งและความสุขแบบที่สามของผู้คองเรือนก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินเพราะการมีหนี้สินจะทำให้ ต้องใช้หนี้สินนั่นเองไม่มีใครชอบใช้หนี้กันแต่ชอบสร้างหนี้กันเวลาซื้อของนี่เป็นหนี้ก่อนเลยเห็นไมยินดีสร้างหนี้กันซื้อเงินผ่อนไงซื้อของเงินผ่อนนี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างหนี้พอมีหนี้แล้วทีนี้ก็ทุกข์กับการที่จะต้องใช้หนี้ต้องหาเงิน ได้เงินมาจะาไปใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้ต้องเอาไปใช้นี่ก่อนอก็เป็นความทุกข์การมีนี่ก็เป็นความทุกข์การไม่มีนี่ก็ถือว่าเป็นความสุขนี่คือความสุขของผู้คลองเรือนมกักจะเกี่ยวกับความสุขในสี่รูปแบบนี้ ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์และได้ทรัพย์เป็นอย่างไรและทําอย่างไรถึงจะได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ขึ้นมาก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็คือได้ทรัพย์เพราะได้สะสมทรัพย์มาในอดีตพวกที่เคยทําบุญในอดีต เป็นเหมือนผู้เอาทรัพย์ไปฝากไว้ในธนาคารบุญพอเวลามาเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองดีมีทรัพย์รอเราอยู่เช่นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวชสันดร ก็ทำบุญทาทานอย่างมากมายมหาศาลทำเต็มที่เพราะเชื่อในอนิสง์ของบุญว่าจะทำให้ผู้กระทามีความสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปและขณะที่กลับมาเกิดใหม่ท่านก็เลยชอบทาบุญ พระเวะสันดรใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือใครขออะไรถ้าท่านให้ได้ท่านยินดีให้ให้แล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วพอท่านตายไปดวงวิญญาณของท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์อยู่สวรรค์ก็มีแต่ความสุขแล้วพอกลับมาเกิด ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะราชกุมารเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเงินทองรออยู่แล้วไม่ต้องไปหาให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อลรนี่นี่คือวิธีหนึ่งของการที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแต่นี่เป็นเรื่องของที่เราไปแก้ไม่ได้ ถ้าอันในอดีตถ้าเราไม่ได้ทําบุญมาเรามาเกิดในชาตินี้เราก็จะไม่ได้เกิดมาร่ํารว ย, เ, ยเมื่อเราไม่ร่ารวยเราก็ต้องหาต้องต้องอาศัยวิธีอื่นที่จะทําให้มีทรัพย์หรือเกิดทรัพย์ยการหาทรัพย์นี้ก็มีหาได้สองรูปแบบด้วยกันหาแบบมีโทษหาแบบไม่มีโทษน หาแบบมีโทษก็คือหาแบบผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไปลักขโมยไปช่อโกงก็จะได้ทรัพย์มาแต่จะได้ทรัพย์มาแล้วก็ได้ทุกข์ได้โทษติดตามมาด้วยการหาทรัพย์แบบนี้ก็ไม่ไม่เป็นสุขไม่ควรจะหา ต้องหาทรัพย์ด้วยวิธีไม่มีโทษคือให้ขยันทามาหากินด้วยอาชีพสุดจริตถ้ามีโอกาสตอนเป็นเด็กก็ให้ขยันเรียนหนังสือเพราะมีวิชาความรู้ก็จะทำให้หาเงินหาทองได้ง่ายกว่าได้มากกว่า ผู้ที่ไม่มีวิชาความรู้ต่างๆพ่อแม่จึงมักจะส่งลูกให้ไปเรียนหนังสือกันให้เรียนเก่งให้เรียนสูงๆกันเพราะรู้ว่าจะได้มีโอกาสหาเงินหาทองได้มากได้ง่ายนั่นเองยอมเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองส่งเสียลูกให้ไปเรียน โรงเรียนต่างๆโรงเรียนดีๆโรงเรียนที่จะทําให้มีความรู้ความฉลาดมีวิชาความรู้เอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้นี่นี่คือวิธีที่จะทําให้มีความสุขจากการมีทรัพย์ถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ร่ำรวยเราไม่มีพรสวรรค์ติดตัวมา คือบุญเราก็ต้องใช้พรแสวงเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริตอย่าทำบาปทำกรรมอย่าทำผิดกฎหมายเพราะถึงแม้จะได้เงินมามากแต่เงินนั้นมันก็เป็นเหมือนเงินร้อน เป็นเหมือนเงินที่มีพิษที่จะพ่นพิษใส่ผู้ที่ได้เงินนั้นมาแทนที่จะได้ความสุขจากการมีทรัพย์ก็กลายเป็นมีทุกข์กับการมีทรัพย์ได้นี่คือวิธีมีความสุขจากการมีทรัพย์นี่คือถ้าไม่มี บุญเก่าก็ต้องอาศัยบุญใหม่คือความเพียพรพยายามลังหน้าตั้งต า, าทำมาหากินแล้วก็มีความประหยัดมัธยั ต, ยติไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยคอยเก็บคอยรักษาไว้เงินทองที่หามาก็จะไม่หดหายไปแล้วก็จะมีเพิ่มพูนมากขึ้นไปตามลำดับ ต้นต่อไปก็จะเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีกันขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหาความสุขจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาพอมีทรัพย์แล้วถ้าเก็บทรัพย์ไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะมีความสุขจากการมีทรัพย์หลังจากที่ได้ทรัพย์แล้วก็ต้องเอาไปใช้ จะได้มีความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์นะมีความสุขจากการได้ทรัพย์มาแล้วถ้าอยากจะให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์นะการใช้ทรัพย์ก็มีใช้แบบสองแบบนะใช้แบบที่เป็นโทษกับใช้แบบที่เป็นคุณนะถ้าใช้แบบที่เป็นโทษมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราได้ ถ้าใช้ใช้แบบที่เป็นคุณมันก็ให้สร้างความสุขให้กับเราฉะนั้นการใช้ทรัพย์เพื่อให้เกิดความสุขต้องใช้ทรัพย์แบบที่ไม่เป็นโทษคือใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้เพื่อมาบำบัดความทุกข์ของร่างกายร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่มี อาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียานักษาโรคการใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่มีโทษแต่ก็ต้องรู้จักประมาณคือรู้จักว่าควรจะใช้มากใช้น้อย ตามหลักศาสนาก็ใช้ให้มันพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายไม่ต้องใช้ไปตามความรู้สึกนึกคิดหรือความชอบความอยากเพราะบางทีความชอบความอยากนี้มักจะใช้มากเกินความจําเป็นได้ใช้ด้วยเหตุด้วยผล เช่นอาหารที่ร่างกายต้องการอาหารก็มีหลายราคาด้วยกันมีอาหารแพงอาหารถูกอาหารแพงแต่เวลารับประทานไปแล้วก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันคือรักษาร่างกายไม่ให้หิวโหวยบําบัดความหิวของร่างกายบํารุงรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุข ถ้าใช้ตามความอยากก็อาจจะใช้มากเกินไปก็ได้ถ้าใช้เงินมากเกินไปเงินก็จะหมดได้ง่ายกว่าถ้าใช้ด้วยเหตุด้วยผลใช้ตามความจำเป็นใช้ตามความพอเพียงของความต้องการของร่างกายก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้มากอาหารมื้อละ ร้อยกับอาหารเมื่อละพันยกตัวอย่างก็ทาหน้าที่ให้กับร่างกายได้เหมือนกันทำให้ร่างกายมีอาหารบํารุงรักษาบาบัดความหิวแล้วก็รักษาให้ร่างกายอยู่อย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถ้าใช้มากมันก็ต้อง หาม า, มากขึ้นถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามากการหาเงินก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งมีใครอยากไปทำงานมั้งมีแตอยากไปเที่ยวกันใช่ไ อ, อยากใช้เงินกันแต่ใช้เงินแล้วมันก็ต้องไปหาเงินมาถ้าใช้มากก็ต้องหามากถ้าใช้น้อยก็ไม่ต้องหามาก อย่างนั้นถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินต้องใช้แบบไม่ให้เกิดโทษใช้แบบให้มันให้มันเกิดคุณประโยชน์อย่างเดียวคุณประโยชน์นี้ก็คือเลี้ยงดูร่างกายของเร า, เ อ, าอย่างั้นอย่าไปหลงกับของฟุ่มเฟือยของหรูหราของแพงๆต่างๆมันไม่วิเศษ กว่าของที่ไม่หรูหลาไม่ฟุ่มเฟือยเพราะมันทำหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากันเลี้ยงดูร่างกายได้เหมือนกันอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมื้อละพันมันก็กินแล้วก็อิ่มเหมือนกันถ่ายออกมาก็ไม่มีราคาเหมือนกันไม่มีของที่ถ่ายออกมาราคาร้อยราคาพันไม่มีใครต้องการมันทั้งนั้น นี่คือการใช้เงินที่จะทำให้เกิดความสุขเพราะว่าเราได้เอาไาบำบัดความทุกข์ถ้าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยนี้อาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต่อไปเพราะจำเงินจะไม่พอใช้กันการใช้ของแพงๆของหรูหราของฟุ่มเฟือยของมากกว่าความจำเป็นนี่ แล้วมันทำจะให้ใช้แล้วมันจะติดเป็นนิสัยเป็นเหมือนอยาเสพติดเวลาใช้เนี่ยมันมีความสุขจริงแต่เวลามนเงินมันไม่พอใช้มันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาฉัางนั้นการใช้เงินเพื่อให้เกิดความสุขต้องรู้จักประมาณต้องอย่าใช้มากเกินความจำเป็นใช้พอพอพอเหตุพอผล คือเราทําเพื่อใช้เงินเพื่อรักเลี้ยงดูร่างกาย<ม>ถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเราจะใช้แบบที่เราใช้กับเรานะีเช่นคนรับใช้เราเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาเหมือนเราเลี้ยงเราไนหะมเขา<ม>เวลาเลี้ยงคนใช้แล้วเราก็เลี้ยงแบบง่ายๆถูกๆ<ม><ม>ให้เขากินแล้วอยู่ได้ก็โอเคแล้วแต่สําหรับเรานี่รู้สึกว่าเราต้องเลือกร้านเลือกชนิดอาหาร เลือกอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องของความหลงมากกว่าประโยชน์ที่ได้มันเท่ากันนะเห็นพยายามเลี้ยงร่างกายเราเหมือนเลี้ยงเลี้ย ง, เ ล, ยงเลี้ยงคนนับใช้เราเพื่ อ, อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองออมาเลี้ยงร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีที่ เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าก็ดีมีหลายราคามีหลายระดับแต่มันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้าคืออะไรก็คือไว้ปกปิดอวัยวะปกป้องรักษาภัยที่จะมากระทบกับร่างกายเช่นเช่นอากาศหนาวเย็นหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรต่างๆเหล่ า, านี้แล้วก็เพื่อไม่ให้ดูอุจจาตา ถ้าไม่มีเสื้อผ้าก็จะไม่น่าดูนะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ประดับด้วยเพชรด้วยอะไรต่างๆนี่คือการใช้สอยเงินทองให้เกิดความสุขไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดทุกข์ก็คือต้องใช้แบบประหยัดมัธยัติ ใช้ไปใช้แบบพอเพียงไม่น้อยเกินไปอย่างน้อยจนขาดแคลนก็ไม่ดีบางคนขี้เหนียวตันนิเสียดายเงินกินอยู่แบบอดอดอยากอยากมีเงินเยอะแต่กินอยู่แบบอดอดอยากอยากอันนี้ก็ไม่มีความสุขะร่างกายก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอันนี้คือวิธีที่จะทําให้เรามีความสุข จากการใช้ทรัพย์แบบหนึ่งแบบที่ใช้ทรัพย์แล้วทำให้เกิดโทษเป็นอย่างไรก็การใช้กับของที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใช้กับความอยากต่างๆใจของเราเนี่ยมีตัวที่ร้ายกาจอยู่ในใจที่คอยมาดึงเอาทรัพย์ของเราที่หามาได้ยากแสนยากไป คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องหาก็ได้ไม่มีเงินคือถ้าไม่มีไม่มีไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ตายไม่ได้ไปทำอะไรตามที่เราอยากทำมันไม่ตายแต่ถ้าทำแล้วมันจะทำให้เราลาบาก เพราะว่ามันจะทำให้เราใช้เงินมากพอพ อ, พอใช้แล้วมันจะติดเที่ยวแล้วจะติดไปทำอะไรแล้วมันจะติดติดแล้วมันจะทำให้เราต้องใช้เงินทองมากโดยเฉพาะพวกอบายามุขต่างๆนี่ไม่ควรใช้เงินไปกับพวกอบายามุขไม่ควรใช้เงินกับการซื้อสุรามาดื่ม สุรานี้มันเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจของพวกเราเดือดมากๆก็ทําให้โกเกิดโรคภัยทางร่างกายเกิดโรคตับแข็งเกิดโรคอะไรต่างๆจากพิษของสุราแล้วก็ทําให้เกิดอาการมึนเมาทําให้ไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทํา ให้เรียบร้อยได้คนที่ดื่มสุรากับคนที่ไม่ดื่มสรุรานี่กลายเป็นคนละคนไปเลยเวลาไม่ดื่มสุรานี้เรียบร้อยเวลาดื่มเข้าไปแล้วกลายเป็นอีกคนยังไงเราก็ไปทําความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะถ้าเกิดไปทําร้ายผู้อื่นก็ จ, จะต้องไปติดคุกติดตารางต่อไป เมาแล้วก็ขับรถอย่างนี้ก็จะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียหายแล้วตนเองเสียหายได้ถ้าไม่ดื่มสุรานี้ก็ไม่สูญเสียเงินทองที่าหามาแล้วก็ไม่ไปทำให้ร่างกายเป็นโรกภัยไข้เจ็บไม่ทำให้จิตใจขาดสติ ที่จะทำให้เกิดการกระทำที่เสียหายต่อผู้อื่นและกับตนเองตามมาอยไม่ควรใช้เงินไปกับพวกอบายามุขเดื่มสุาเล่นการพนันเที่ยวเตะอันนี้เป็นการใช้เงินที่ไม่ได้ไม่ทำให้เกิดความสุขเกิดความสุขแต่เป็นความสุขที่มีโทษตามมาใช้เงินแบบ เกิดความสุขแต่ไม่มีโทษตามมาดีกว่าคือใช้กับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ไม่ไม่หรูหราให้ใช้ประโยชน์ได้ก็พอใช้กับปัจจัยสี่แล้วถ้าอยากจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งถ้ามีเหลือจากการใช้เงินกับการเลี้ยงดูร่างกายถ้ายังมีเหลือเฟือก็แบ่งเอาไปทําบุญฮเพราะชีวิตของเรานี้ยังต้องไปต่ออีกหลังจากที่เราตายไปแล้วเรายังต้องไปอยู่ในโลกที่อีกถ้าเราทําบุญเราก็จะมีบุญติดตัวไป บุญนี้ก็จะพาให้เราไปอยู่สวรรค์กันเป็นเทวดากันแบบพระเวสสันดรเราไม่ต้องเป็นแบบพระเวสสันดรก็ได้เป็นแบบครึ่งหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งของพระเวสสันดรก็ยังดีเพราะสวรรค์ก็มีหลายชั้นด้วยกันมีตั้งหกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำทำมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงทาน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่า แต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าไปอาบายเ ห, หรือไม่หอไปหรือไม่มีอะไรติดตัวไปไปแล้วไปอยู่เป็นแบบขอทานก็นี่คือเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปถ้าเรามีเงินเหลือจากการใช้ กับสิ่งที่จำเป็นเราก็เอาไปทำบุญส่วนหนึ่งก็แบ่งเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อเราแก่อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเลยไม่แน่นอนบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้แต่เงินนี้พึ่งได้แน่นอ ไปหวังพึ่งลูกนี้บางทีลูกมันไปมีลูกมีเมียของมันมีผัวมันก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาเลี้ยงดูเราเหตั้นอย่าอย่าไว้ไปหวังพึ่งใครพึ่งตนเองดีกว่าเอาเงินไปลงทุนหรือไปซื้ออะไรทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะเอามาแปลงเป็นเงินทองได้ในอนาคตถ้าเราขาดแคลนเดือดร้อน ฝากเงินไว้ธนาคารซื้อหุ้นในบริษัทที่มั่นคงหรือถ้ายังมีกำลังวางชาก็เอาไปทำกิจการหาเงินหาไรายได้มาดีกว่าอยู่เฉยๆนี่คือวิธีการใช้เงินอีกรูปแบบหนึง่งที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเวลาชาติหน้าถ้ากลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาลำบาก เหมือนชาตินี้กลับมาเกิดอยู่บนกองเงินกองทองนี่คือเรื่องของการใช้เงินและที่จะทำให้เกิดความสุขต้องรู้จักใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นร่างกายสิ่งที่ไม่จำเป็นคืออบายามุขนี่อย่าไปใช้กับมันเพราะมันจะดูดทรัพย์ของเราให้หมดเนื้อหมดตัว เราเราจะตกทุกข์ยากลาบากต่อไปแต่อาจจะมีความสุขเชื่อขณะที่ได้ใช้เงินแต่พอใช้ไปแล้วเงินมันหมดแล้วนี่เงินมันไม่กลับมาลต้องหาใหม่หาใหม่ก็ต้องทุกข์ยากลาบากกับการหาเงินหาทองอันนี้คือความสุขที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ ถ้าใช้ไม่เป็นแทนที่จะเกิดความสุขก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปได้นะเพราเงินทองจะหมดเงินทองจะไม่พอใช้เห็นั้นพยายามอย่าใช้เงินทองไปกับอบายามุขต่างๆแล้วมันก็จะทำให้เรามีเงินพอเพียงถ้าเราใช้เงินไปกับอบายามุขเงินไม่พอเพียง เราก็อาจจะไปมีหนี้มีสินต่อไปเมื่อเรายังใช้เงินมากอยู่แต่เราไม่มีเงินใช้เราก็ไปต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้พอไปกู้หนี้ยืมสินทีนี้ก็มีภาระที่จะต้องมาใช้หนี้สินยิ่งเกิดความ เ, าเกิดความทุกข์มากขึ้นต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้เงินที่ไปยืมเข้ามาก็ใช้ไปหมด แต่เงินที่จะไปใช้หนี้ไม่มีก็ต้องพยายามไปเด่นนอนหาเงินมาใช้แล้วถ้าไม่ระวังก็อาจจะไปหาเงินแบบวิธีผิดกฎหมายก็ได้ผิดศีลไปช่อโกงไปลักขโมยไปค้ายาเสพติดอะไรอย่างนี้ทำไมนคนถึงชอบค้ายาเสพติดกันเพราะมันหาเงินง่าย มันหา ง, ง่ายแต่มันเสี่ยงภัยต่อการที่จะถูกจับไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าเราไม่ถ้าเรารู้จักใช้เงินรู้จักหาเงินให้มันอยู่ในกรอบความพอดีเราจะไม่ต้องมีหนี้มีสินเราก็จะได้มีความสุขจากการไม่มีหนี้สิน คนมีหนี้กับคนไม่มีหนี้ใครสบายกว่ากันะคนมีหนี้นี่ต้องคอยกังวลคอยหาหนี้มาใช้อยู่เรื่อยๆคนไม่มีหนี้ก็สบายไม่ต้องคอยกังวลไม่ต้องคอยดิ้นรนหาเงินไม่ต้องไปเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมนี่คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ ความสุขที่เกิดจากการไม่กระทำสิ่งที่เป็นโทษน่ก็คืออย่าไปทำบาปนั่นเองอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดอย่าไปดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆนี่เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมา ไม่ควรที่จะกระทำพยายามหักห้ามจิตใจต่อสู้กับความคิดฝ่ายต่ำเพราะบางเวลาเราอาจจะขาดแคลนนู่นขาดแคลนนี่แล้วก็อยากจะแก้ปัญหาโดยวิธีง่ายๆก็ให้เรานึกถึงผลสิที่เสียหายที่จะตามมา ทำผิดกฎหมายโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางก็เกิดขึ้นขึ้นมา้วทุกข้างนอกคุกกับดีกว่าทุกในคุกทุกข้างนอกคุกมันก็ยังไปไหนมาไหนได้อยู่ยังมีทางที่จะไปทำอะไรได้อยู่แต่ถ้าไปติดคุกแล้วมันก็ไปทุกในคุกนี่ลำบากกว่าเห็นให้คิดถึงผลที่จะตามมา แล้วมันจะทำให้เราหักห้ามจิตใจไม่ไปทำสิ่งที่เป็นโทษกับเราได้ถ้ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการทำบาปนะทำบาปปุ๊บนี่โทษเกิดขึ้นทันทีแล้วคือใจไม่สบายแล้วเวลาทำบาปนี้ใจไม่มีความสุขแล้ใจมีความหวาดวิตกกังวล กัวที่จะถูกจับไปลงโทษเนีแล้วเวลาตายไปก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ที่มีแต่ความทุกข์เนี่ยก็ต้องเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในอบายต้องไปอยู่ในอบายแทนที่จะไปสวรรค์หรือแทนที่จะไปไปเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องไปใช้โทษใช้กรรมที่ทําไว้ในอบายเนี่ย ให้เราคิดถึงผลที่จะเกิดจากการกระทาบาปแล้วมันจะทำให้เรากลัวกลัวการกระทาบาปไม่กล้ากระทาบาปเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำบาปกับผลที่เกิดจากการทำบาปมันก็จะทำให้เราเห็นว่าไม่ทำบาปดีกว่าถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากเดือดร้อนก็ดีกว่าที่จะไปทุกข์กับการไปรับผลบาป ตั้งแต่เริ่มทำไปเลยทำบาปแล้วใจก็ร้อนนะใจหวาดผวาแนละ้วเจอตำรวจเดินมานี่กลัวแนละ้วบางทีตำรวจเขาไม่รู้เรื่องว่าเราทำอะไรมาแต่เรารู้พอเห็นตำรวจคิดว่าเขาจะมาจับเรานะบางทีเขาไม่ได้มาจับเราคนะอันนี้มันให้คิดแบบนี้นะแล้วเราจะได้ไม่กล้าทำบาปกันเราจะทำ อะไรที่ไม่เกิดโทษกับเราอะไรที่เกิดโทษกับเราอย่าไปทาได้ไม่คุ้มเสียเราให้เราได้อะไรที่เราอยากได้มาก็ตามเราได้มาแล้วเราดีใจเดี๋ยวเดียวแตเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วแต่บาปที่มันติดอยู่ในใจมันไม่หมดไปมันยังหวาดกลัวอยู่นั่นน่ะถ้าไปทําผิดกฎหมายนี่มันต้องคอยหลบๆอยู่เรื่อย ทำไปหลายหลายเดือนหลายวันแล้วมันก็ยังหวาดวิตกอยู่เจอตำรวจก็ยังคิดว่าเขาจะมาจับเราอยู่อันนี้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีฮิริโอตปะฮิริโอตปะนี้เป็นเครื่องที่จะป้องกันให้เราไม่ทำบาปกันฮิริก็คือความอายเพราะเราไม่อยากเพราะเราไม่ชอบคนที่ ทำไม่ดีกันไม่มีใครชอบคนทำบาปกันเหนเราควรที่จะมีความยางอายว่าเราไม่ควรจะทำบาปถ้าเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะให้คนเขาอชอบเราคบค้าสมาคมกับเราให้เราต้องมีความละอายในการกระทำบาป เพราะคนที่ทำบาปนี้เป็นคนที่น่ารังเกียจนั่นเองไม่มีใครอยากจะคบค่าสมาคมด้วยให้มีความอายเหมือนกับเวลาเราออกนอกบ้านนี่เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนเราไม่กล้าออกไปในชุดนอนใช่ไหมเพราะเราอายไม่อยากให้ชาวบ้านเขาเห็นเราในสภาพที่ไม่น่าดูก่อนจะออกบ้านนี่เราต้องส่องกระจกดูหลายรอบ ดูว่าตอนนี้แต่งตัวเรียบร้อยหรื อ, อยังหน้าตาสะอาดสะอ้านหรื อ, อยังหรื อ, อยังมีขี้ตาข ok ี้มูกติดอยู่เราต้องมีความอายการกระทำบาปทำให้เราไม่สวยงามาทำให้จิตใจเราไม่สวยงามเป็นที่น่ารังเกียจของผู้อื่นให้มีฮีริแล้วก็อดตัปะคือความกลัวผลของบาปที่จะตามมาให้นึกถึงผลที่จะตามมา บางคนอาจจะคิดว่าทำผิดกฎหมายแล้วไม่มีใครจับก็รอดตัวไปอาจจะรอดตัวทางกฎหมายแต่ทางกฎแห่งกรรมมันไม่รอดทำบาปปุ๊บผลของกฎแห่งกรรมก็เริ่มแสดงขึ้นที่ใจแล้วใจนี้ไม่สบายแล้ ว, ลวตายไปก็ไปไปรับผลในอบายไปเกิดในอบาย แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ภัพวาสนาไม่มีวาสนาเหมือนกับพวกที่กลับมาจากสวรรค์พวกที่กลับมาจากสวรรค์นี้มีทรัพย์มีอะไรร อ, อยอยู่พวกที่กลับมาจากกระบายนี้ไม่มีทรัพย์ร อ, อยอยู่แล้วกลับมาอยู่แบบยากจนแล้วอาจจะกลับไปติดอยู่ในวงจรอุบาทเท่า พอยากจนก็ไปหาเงินหาทองด้วยวิธีทําบาปทําผิดกฎหนบาเยกเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่กับออบายกับการมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภาัพวาสนาะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าทําบาป ก, กันเ้าพอเราไม่ทําบาปไม่เราก็จะไม่มีการกระทําที่เกิดโทษกับเราเราก็จะมีความสุข นี่คือความสุขของผู้คลองเรือนต้องอาศัยการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์การไม่มีหนี้สินและการกระทำที่ไม่เกิดโทษซึ่งเป็นความสุขที่อาจจะไม่แน่นอนเพราะทรัพย์ที่หาได้ก็ไม่แน่นอนว่าจะหาได้มากได้น้อยหาไปได้ตลอดหรือไม่บางทีก็อาจจะหาไม่ได้ การใช้ทรัพย์ถ้าใช้บ่อยๆใช้มากเกินไปก็ทำให้ทรัพย์หมดได้มันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นี่คือความสุขของผู้คลองเรือนสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไปเพราะสิ่งที่ให้ความสุขนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีมันมีก็สุขเวลาไม่มีก็ทุกข์กันก็อาจจะทำให้ อยากจะไปหาอีกวิธีหนึ่งวิธีแบบนักบวชการหาความสุขแบบนักบวชนี่เป็นความหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์แต่ต้องใช้กำลังภายในคือต้องใช้กำลังคือการควบคุมจิตใจที่เราเรียกว่าต้องใช้สติต้องใช้ปัญญา มาคอยควบคุมทำจิตใจให้สงบแล้วจะต้องอสละการหาความสุขแบบผู้คลองเรินไปต้องไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลแปดศีสิบศีลสองรอยี่บเจ็ดแล้วก็ไปจะสร้างเครื่องมือคือสติและปัญญาที่จะมาทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็จะได้มีความสุขเอกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขของคู้ของเรือนซึ่งมีหลายระดับความสุขของผู้ของเรือรนะขขออ ร, อระดับธรรมดาระดับเศรษฐีระดับมหาเศรษฐี ความสุขในแต่ละระดับของผู้ครองเรือนี้สู้ความสุขของผู้ของนัก บ, บวชไม่ได้ของผู้ที่สามารถควบคุมทําใจให้สงบไม่ได้เพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จีรังถาวรจะอยู่กับตนไปตลอดเช่นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับจากการไปบวช ได้ความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังอันนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่หมดไปกับความตายความสุขของผู้ครองเรือนนี้พอตายไปความสุขที่ได้จากการมีทรัพย์ใช้ทรัพย์นี้มันก็จะหมดไปแต่การหาความสุขแบบนักบวชนี้ก็ต้องใช้ความ กล้าหารใช้ความอดทนต้องกล้าที่จะสละการหาความสุขแบบผู้คองเรือนหยุดหาความสุขจากการใช้ทรัพย์การเาที่ยวเตะการดูการฟังการกินการดื่มอะไราตามความอยากต่างๆแล้วไปอยู่ที่เงียบเงียบเพื่อที่จะไปฝึกสติไปสร้างปัญญา ไปศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์ผู้ที่จะสอนให้มีปัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีความกล้าหาญมีความเข้มแข็งมีความอดทนถึงจะเข้าหาความสุขของแบบนักบวชได้เพราะเราเคยชินกับการหาความสุขแบบผู้คองเรือน พอเราหยุดนี่เราจะเกิดรู้สึกอาการเหมือนคนลงแดงคเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วต้องไม่เสพเนี่ยคนที่เคยดื่มสซรานี่ติดสซลาแล้วพอไม่ได้ดื่มสซรานี้มือไม้สัน่นใจสั่นไปหมดคะการไปเป็นอยู่แบบนักบวชก็เหมือนกันอาจจะทนไม่ไหวกับความรู้สึกที่ทรมานใจ จากการที่เคยไปเที่ยวไปกินไปเดิมไปเล่นไปทำอะไรตามอำเภอใจพอมาบวชแล้วนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ให้มาคอยควบคุมใจให้มานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้ฝึกเดินจงกรมเจริญสติพุทธโธยุบหนอพองหนออันนี้ถ้าไม่เคยทำก็อาจจะทำไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่จะไปเป็นนักบวชนั้นในเบื้องต้นมักจะไปทดลองก่อนไปหัดก่อนไม่ได้ไปบวช ท, ทันทีทันใดอาจจะไปอยู่วัดครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจวันบ้างแล้วแต่กําลังแล้วแต่โอกาสเพื่อที่จะไปฝึกหัดอยู่แบบนักบวชพออยู่แล้วก็อาจจะได้ปฏิบัติ แล้วอาจจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือความสงบสุขของใจพอได้สัมผัสแล้วก็อาจจะเกิดมีศรัทธามีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นเพราะได้เห็นว่าว่ามันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบผู้คองเรือนเพราะไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อ้ากับการหาเงินหาทองมะ หามาใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดก็ต้องไปคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆความสุขแบบนัก บ, บวชนี้พอหาเป็นแล้วก็จะหาได้ไปเรื่อยๆจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเหมือนกับการหาทรัพย์การหาทรัพย์นี้มีอุปสรรคมากมายเพราะทุกคนก็ต้องการทรัพย์ต่างคนต่าง ต้องการกันก็มีการแข่งขันกันมีการแก่้งแย่งชิงดีกันในการหาทรัพย์ต่างๆแต่การหาความสุขไปในใจนี้ไม่มีใครมาแก่้งแย่งชิงดีของใครของมันทุกคนหาในตัวของตนเองต่อให้มีกี่ล้านคนหาก็ไม่มามาเป็นอุปสรรคต่อคนอื่น การหาความสุขแบบนี้มันไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปมีเวรมีกรรมกับใครเพียงแต่ต้องต่อสู้กับกิเลสตันหาความโลภความอยากที่จะกลับไปหาความสุขแบบคารวะเท่านั้นเองแต่เบื้องต้นก็เลยต้องไปฝึกหัดก่อนไปอยู่วัดครั้งละวันบ้างมีวันพระนี่ให้ญาติโยมไปฝึกหัดไปศึกษาฟังเทศฟังธรรม วิธีที่จะสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งแล้วพอรู้แล้วก็ไปหัดทำกันไปหัดเจริญสติควบคุมความคิดด้วยวิธีหลายแบบที่ให้สวดมนต์นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งการสวดมนต์นี้ก็เป็นการสร้างสติเพื่อที่จะมาควบคุมความคิดเพราะเวลาที่เราสวดมนต์นี้เราก็จะไปคิดถึงเรื่องเรื่องความสุขทางทาง โลกไม่ได้เพราะเราต้องอยู่กับบทสวดมนต์พอไม่คิดถึงความสุขทางโลกใจก็สบายขึ้นความอยากหาความสุขมันก็เบาลงใจก็มีความสุขความเย็นมากขึ้นพอลืมเรื่องความสุขทางโลกไปก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการมาฝึกสติด้วยการสวดมนต์แต่เราสวดต้องสวดจริงๆต้องอยู่กับการสวด อย่าสวดไปแล้วก็คิดไปเอถ้าสวดไปคิดไปแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกเย็นสบายเพราะมันยังมัวไปคิดถึงเรื่องร้อนๆต่างๆเรื่องเรื่องทั้งบ้านเรื่องทรัพสมบัติเรื่องการหาเงินหาทองอยู่ถ้าสวดแบบนั้นมันก็จะไม่ทําให้ใจเย็นใจสบายต้องสวดแบบลืมทุกเรื่องไปเลยให้อยู่กับบทสวดมนต์เพลงอย่างเดียวหรือถ้าเรา สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ด้วยการดูลมหายใจหรือด้วยการบริกรรมพุทโธก็นั่งสมาธิไปเลยก็ได้ยิ่งจะทำให้ใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจะทำให้ใจสงบอย่างเต็มที่นี้ต้องนั่งสมาธิวิธีอื่นนี้เพียงแต่ทำให้ เย็นลงสงบลงแต่ไม่เต็มที่เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกพุทธโธพุทธโธในชีวิตประจําวันหรือการเดินจงกรมหรือการสวดมนต์เนี่ยเป็นการเจริญสติเป็นการควบคุมความคิดไม่ให้คิดมาสร้างความวุ่นวายใจเอพอควบคุมใจได้ทําใจให้สงบได้ ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเอาแล้ววันนี้เทวดามาขอร้องให้ขยับขยายก็ขออนุโมทนาให้ญาติโยมยาถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง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 มณีโชติระโสยถาสัพภิติโยมิวาชันตุสัพพโรโควินสศตุมัเตภวัตโันตารายุสุขีทิฆายุโกภวะ พิวาทานาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนยตารุธรมมวาทานติอายุวโนสุขังทารังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม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 วันนี้ทาง Facebook เข้ามา438 YouTube 290 With You Online 15รับฟังข้างบนนี้97คนรวมทั้งหมด840ครับวันนี้เยอะนะเฟซบุ o กเข้ามาเยอะเพราะกล้องใหม่กล้องใหม่หรึเปล่ามีหลายมุมใช่ไหมมีหลายไวเอ็นเกิลมีอะไรเนี่ย ถ้าไม่ชอบใช้ไม่เป็นอเอเห็นบอกมีสามกล้องอเปลี่ยนเปลี่ยนได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวรับไปกระฟนเชิญมาแล้วนั่งพับเพียบก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้อ ะจขออนุญาตสอบถามนะครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายว่าผู้รู้เนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็การจะไปถึงได้เนี่ยเราต้องทําสมาธิล้วต้อง ม, มีการสังเกตอะไรบ้างไหมถึงจะถึงได้ครับไม่ไม่ไม่มีอะไรยากเย็นขอให้เรามีสติอคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้พอหยุดความคิดแล้วผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมา ผู้รู้นี้เป็นเหมือนจอทีวีผู้คิดนี่เหมือนกับภาพบนจอทีวีพอเราปิดทีวีภาพก็หายไปพอภาพหายไปก็จะเหลือแต่จอทีวีให้เราเห็น mm hmm. ผู้รู้นี่ก็เหมือนกัน <Yeah. S 2> ตอนนี้เรามองไม่เห็นผู้รู้เพราะผู้คิดมันมันมันปิดไว้กันไว้พอเราหยุดความคิดได้ผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมา ก็คือผู้รู้นี้คือสว่างอยู่กลางตัวกลางใจเรารู้อยู่รู้อยู่ตลอดเวลาก็มันถ้ามันมันตอนนี้ก็เป็นเพลงแต่ความคาดันเน <ปะ S 2> ับถ้าเวลาเจอแล้วมั น, ม, นมันก็จะรู้เองว่าเป็นอย่างไรงั้นข้อสำคัญทำใจให้สงบให้ได้ <ปะ S 2> หยุดใจให้คิดทำจิตให้นิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วผู้รู้ก็จะพอ ปรากฏขึ้นมาเพราะผู้ที่บังผู้รู้นี้หายไปอคือความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆ <Okay. S 1> ที่มีอยู่ในใจผู้รู้นี้คือจอเหมือนจอภาพนะจอที่รับรู้อะไรต่างๆอ mm ื hmm. เหมือนกระดานดํำถ้าเราเขียนอะไรบนกระดานดําเต็มไปหมดเราไม่เห็นกระดานะ แ, แต่ตัวหนังสือที่เราเขียนอยู่บนกระดาน เราลบเอาตัวหนังสือต่างๆออกจากกระดานไปหมดก็จะเห็นตัวกระดานก็คือเกิดเองจากการทําสมาธิไปเรือเ่อยๆแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันพงแต่รใใเราหยุดความคิดลบความคิดออกจากใจให้ได้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังช่วยพูดใกล้ๆปากหน่อยนะเพราะตอนนี้ฝนตกเสียงดังอได้ได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ว่า ให้ที่ทําสมาธิด้วยการท่องพุโทโธ่ะเจ้าค่ะเราก็ได้ตั้งมั่นในการที่เที่ยวท่องพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาแต่จิตก็ส่งออกนอกบ้างแล้วก็ดึงกลับมาบ้างแล้วก็ท่องต่อทําอยู่อย่างนี้สลับไปสลับมาคือแบบว่าจิตก็ยังไม่นิ่งไงเจ้าค่ะอ๋อใหม่ๆมันก็เป็นแบบนี้มันเป็นการชักกระยือกัน ระหว่างความคิดกับพุโทโธเพราะพุโทโธเรายังมีกําลังน้อยอยู่ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะความคิดได้เราต้องพยายามสร้างพุโทโธให้มีหนาขึ้นด้านขึ้นมากขึ้นเราต้องทําบ่อยขึ้นอย่าปล่อยให้มันมีช่องว่าง แล้วต่อไปพรางคิดมันก็จะไม่มีช่องที่จะโผล่ขึ้นมาคิดได้คือตอนนี้มามาถูกทางแล้วใช่ไหมเจ้าคะถูกแล้วแต่ต้องใจเย็นๆอย่าท้อแท้อย่าเบื่อนายแล้วเราต้องนั่งด้วยถึงจะถึงจะได้ทำใจให้ให้นิ่งได้มากขึ้นถ้าเราเดินเราทาอะไรพุโทโธไปนี่มันยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ยังมีการกคิดอยู่ พอเรานั่งเฉยๆมันก็จะไม่มีเรื่องให้มันคิดเราก็ใช้พุทธโธทําให้มันเร่งให้สงบได้แล้วการการนั่งนี่ต้องกําหนดเวลาไหมคะว่าจะต้องนั่งอย่างน้อยกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะก็นั่งตัวจังกว่าเราจะทนนั่งไม่ไหวออนอกจากบางคนอยากจะบังคับตัวเองก็เลยบังคับเวลา แต่แล้วแต่ถ้าเราบังคับตัวเองไม่ได้บางทีเราใช้เวลาบังคับก็ได้เพราะบางทีเรามักจะมักน้อยเวลานั่งสมาธินั่งเดี๋ยวเดียวก็อยากจะเลิกแต่พอเราตั้งเวลาไว้เราก็บอกโอ้ยเลิกยังเลิกไม่ได้ยังต้องนั่งต่ออันนี้มันก็แล้วแต่เราเจ้าค่พะพอดีรถมาพอดีเลยได้ ไ, ดไปไ้่อนจออกกับนมัสการคะ่ะ เออมีข้อกังขาอยู่นิดหนึ่งท่านคือจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็ดีสิดีกว่าจิตหลับมันตื่นมันก็ ก็ดีตื่นก็พุทธโทได้แล้วก็พุทธโทรพุทธโทคอยควบคุมความคิดไว้ค่ะอย่าให้มันคิดก็แล้วกันคือถ้ามันจะคิดก็คิดไปทางปัญญาก็ได้ค่ะคิดว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายร่างกายมีอาการ32ผมขนเละฟันร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟคิดแบบนี้ไปบ่อยๆจิตมันตื่นแล้วมันเหมือนจะภาวนาโดยการดูลมหายใจตลอดเลยนะก็ดีน ตื่นดีกว่าจิตหลับสาธุการกล่าวดุมาสการ์เส้นระยะจะเป็นแบบฟุ้งสร้างก็แล้วกันค่ะไม่ฟุ้งค่ะ่คะถ้าตื่นแล้วเย็นสบายสงบก็โอเคก็รักษาความตื่นนั้นไว้สาธุค่ะสาธุการดุหมายสการ์ทุก่านถ้าเป็นไปได้ขอให้นั่งนะถ้าตื่นแล้วให้มันนั่งนั่งให้มันสงบให้มันนิ่งมันจะมีความสุขมากคคค่่่ะะะสาธุค่ะ คำถามจากคุณจิตสงบพอจะมีวิธีใดที่สามารถตัดขาดความรู้สึกผูกพันให้ขาดออกไปจากจิตใจของเราได้ครับก็ต้องอาศัยสติและปัญญาสติเป็นตัวกำลังปัญญาเป็นมีดถ้ามีปัญญาก็เห็นว่าในที่สุดก็ต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาจะรักกันขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องแยกกันไปอยู่ดี งั้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็ยากมันแค่แต่ตอนนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกมากังวลต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัมพันธรรมไมตรีของของเราเพราะว่าทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดลงงั้นพยายามตัดแต่ถ้ารู้แล้วยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกําลังไม่มีสติที่จะคอยหยุดความอยาก ความอยากที่ยังจะผูกพันกันอยู่ก็ใช้สติช่วยพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันก็จะหยุดพอคิดถึงคนนั้นก็พุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดคิดถึงเขาแล้วต่อไปก็ลืมเขาได้คำถามต่อไปจากคุณนิว ถ้าบังคับใจไม่ได้มีวิธีการบังคับใจของเราได้อย่างไรครับก็ต้องสร้างสตินี่แหละสติเป็นผู้ควบคุมบังคับใจต้องฝึกพุทโธพุทโธไว้หรือสวดมนต์ไปหรือใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมีสี่สิบชนิดด้วยกันให้มีใจมีที่ยึดไว้มันจะได้ไม่ไหลไปตามกับกระแสความคิดความอยากต่างๆแล้วมันก็จะสามารถที่จะ ควบคุมหรือบังคับใจได้ตัดอะไรต่างๆได้คำถามจากคุณวราวด์คนที่ฉลาดในทางโลกแต่ไม่ฉลาดในทางธรรมมีอยู่แต่การฉลาดในธรรมแต่ไม่ฉลาดในทางโลกมีหรือไม่ครับฉลาดในทางธรรมแต่ไม่ฉลาดในทางโลกก็มีภูบาจารย์ที่ท่านบวชตั้งแต่เด็กเ่ เป็นเน่หลวงปู่หลวงพ่อบางองเนี่บางทีหนังสือท่านยังอ่านไม่ออกเลยเพราะท่านไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ท่านก็ปฏิบัติรีศึกษาธรรมจากครูบาอาจารย์จนบรรลุท่านมักจะเป็นคนที่แสดงธรรมไม่เป็นเพราะไม่มีความรู้ทางทางโลกมาเป็นเครื่องมือการแสดงธรรมนี่ต้องอาศัยความรู้ทางโลกมาประกอบเป็นเครื่องมือเอาธรรมสอดแทรกเข้าไป เห็นไหมพระพุทธเจ้าเวลาสอนชาวนาก็เอาเรื่องของชาวนามาสอนเวลาสอนหมอก็เอาเรื่องของหมอมาสอนเวลาเอาสอนทหารก็เรื่องของทหารมาสอนเพราะเขาจะได้เข้าใจนี่เป็นการยกตัวอย่างแต่ถ้าไม่มีประสบการณ์ทางโลกเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนพูดธรรมะก็เป็นทั้ง ทั้งดุนศีลเนี่ยมันก็ไม่รวดาศีลนี่จะอธิบายยังไงก็คนม่ก็เลยฟังแล้วมัเขาไม่ค่อยเข้าใจนี่คือความไม่ฉลาดทางทงโลกเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาสมัยที่เป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้มีการเรียนรู้อะไรทางโลกด่าบวชตั้งแต่เด็กเป็นเนนบวชศึกษาวิสีนสมาธิปัญญา ปัญญาก็คือไตรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจมันก็สำเร็จบรรลุทาได้แต่พอจะเอาธรรมนี้มาสอนก็ไม่รู้จะสอนอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณขจรพัดหากจะถือกุศลกรรมบทสิบโดยกล่าวคำสมาทานกุศลกรรมบทสิบแล้วต้องทำสมท า, านสินห้าด้วยหรือไม่ครับ ไม่เคยเห็นที่ไหนให้สมทานกุศลกรรมบทสิบไม่แน่ใจว่าจะต้องปฏิบัติเช่นไรครับก็ไม่มีธรรมเนียมที่จะมาสมาทางกุศลบดเนี่ยกุศลบดก็คือธรรมที่เป็นกุศลที่มันก็มาจากศีลห้านี่มันก็เกี่ยวข้องกันเหมือนอันเดียวกันแต่มันเป็นหลักธรรมคำสอนหรือเป็นธรรมที่พึงสร้างกันขึ้นมา กุศล ส, สิบมีอะไรหนึ่งคือการไม่ฆ่าคือกุศลสิบนี้แบ่งไว้เป็นสามทางกุศลทางกายมีสามกุศลทางวาจามีสี่กุศลทางใจมีสามรวมกันเป็นสิบกุศลทางกายก็คือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีกุศลทางวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดเนี่ยกุสมทางใจก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่คือรวมกันเรียกว่ากุศลสิบเป็นแนวทางของการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ทั้งปวงหมดแล้วเหรอแต่สมาทานก็ได้ไม่สมาทานก็ได้ แต่ผู้ปฏิบัติต้องมีความตั้งใจถึงจะทำได้ถ้าไม่ตั้งใจ ร, รักษากุณศิล 10. เดี๋ยวพอคิดอยากจะทำคิดอยากจะฆ่าขึ้นมาก็อาจจะไม่มีอะไรมายับยัง้งแต่ถ้าตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่ฆ่ายุงจะมากัดก็ไม่ตกจะไล่มันไปลายทำนองนี้ต้องมีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจแล้วจะได้ รู้ว่าต้องทำอะไรพอรู้ว่าทำไม่ได้ก็จะไม่ทำอันนี้คกอเรื่องของกุศลที่สมาทานนี่มีอย่างเดียวก็คือศีลคาว่าสมาทานก็ความจริงก็คือไปศึกษาจากผู้รู้คือจากพระสงฆ์คนส่วนใหญ่ถ้าเริ่มต้นข้อหาศาสนาจะไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างจะไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไร ก็เลยไปปรึกษากับพระไปขอคำปรึกษาแล้วไปบอกเจตนาว่าอยากจะรักษาศีลห้าเน่การสมราทานนี่บอกเป็นการบอกความตั้งใจว่าอยากจะรักษาศีลห้าแต่ไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างก็อยากขอให้พระเป็นผู้บอกให้ทราบพระก็จะบอกว่าศีลห้ามีหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์สองการไม่รักทรัพย์ ตานาติปาตาเวรมณีแต่ว่าการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอดินนาดานาเวรมณีการละเว้นจากการรับทรัพย์ของผู้ <c oughs> การเมสุมิชาจาราเวรมณีการละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม <c oughs> แล้วก็กาโมษาวาดาเวรมณีละเว้นจากการพูดปด สุราเมรยามัชะปามาดาทธานาเวรมณีละเว้นกากการดื่มสุราที่จะทําให้เกิดความมึนเมาเกิดความประมาทอันนี้ก็ไปไปถามพระไปแล้วก็ไปขอให้พระเป็นจักขีพยานก็ได้ว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าอันนี้เรียกว่าสมาทา น, น, นก็เลยแม้ทำเป็นพระไปประเพณีมา ทุกครั้งจะทำอะไรมักจะให้สมาทานสิงก่อนก็เท่านั้นไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรก็จะให้กลับบ้านนะเพราะฝนตกก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ